พาลุตอิรุขุมอา ك ุมอินลุกิร ل ุมอินลุ م ิรต و ม ج ا ء من أقصى المدينة رجله يسعى. قال يا قوم تبعوا المرسلين. قال يا قوم تبعوا المرسلين. تابع มันแล้วย่สารุ่มَัจรมว่า و ุตเดื ي นวามาลีลานับดุหลีฟัตุรนีวอิลัยตูรเ ع มวามาลีลาอาบุดุห أ أ ت َّ خ ِ ذ ُ مِن دُونِهِ آ َ ل ِ ه َ ة ً يُرِيدنِ الرَّحْمَانُ ب ِ ض ُ ر ِ الَّتُونِ عَنِي ش َ ف َ ا ت ُ ه ُ م ْ ش าเหตุมชั่ววันและยุ่งค ق ا ل دخول الجنة. قيل ا د خ ل الجنة. قال يا قومي ع ل م قال يا ليت قومي يعلمون. قال يا ليت قومي يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. อินนัลฮะมดุลลอฮ์นะฮ์มดุห์ وناستعئن ุห์ وناستغفِر وناعوذ بالله من شرورهم فسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضللة وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إ ا الله و ح د لا شريك له و ه د أن م ح م د ا ه و ر س ل ه Allahumma َ i k a a-sbahna wa bika a m z a َ n a wa bika n a h i y ن wa bika amootu wa ilayka nushur أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع الس عليم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 ของ Allah ที่รักทั้งหลายครับขอบคุลิลลัลและพี่น้องที่ติดตามรายการตับซีรุลกุอาร์อนที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับขคุลิลลด้วยความเมตตาของ Allah س ه และุวุต่าลาไม่ใช่ความเก่งของเรานะที่เราหลับไปเมื่อคืนนี้เนี่ยเนี่ยเพราะเราได้รัมากให้ท่านหลับทั้งคนที่หลับ ต้องดีใจที่เราได้นอนหลัเพราะบางคนนอนไม่หลับนอนไม่หลับไม่มีดูอาอัลลอฮุมะลอฮีดุอาของคนที่นอนไม่หลับนะอัลลอฮุมะลอรติโนจูมวะฮัดะอติลอูยนอันตะฮยุนกยุมลาตะุซุกะซีนตุมวลาามวะฮ์ดิลลีวะอนิมอายนี ผมต้องท่องพรผมนอนไม่ค่อยหลับพออ่านอย่างนี้สักห้าหกเที่ยวเดี๋ยวหลับแล้วห้ำๆเลยนะแล้วก็ท่านนอนที่ดีที่สุดเนี่ยท่าไหนท่าขวานอนทับทับขวาทับซ้ายทับขวาอนอนจะแขนขวานี่เป็นท่านอนของท่านกบีแต่นอนทับซ้ายได้ไหมแต่คืขอหนคืนเดียวก็ซ้ายเองน่ะ แต่ให้เริ่มนอนด้วยท่าขวาที่ดีที่สุดนะครับ <c oughs> ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราผ่านเรือนนบดอนมาแล้วแต่อยู่ในช่วงของโรคโควิดแต่เราไม่ได้มองโรคโควิดเป็ น, เ ป, นนะเป็นอะไนะเป็นอาราแต่เรามองโรคโควิดเป็นระห์มัดเพราะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์ลัลลัมเนี่แนะนาเราเราก็ต้องเดินตามท่านนาบีและมันสบายใจนะครับแลม้มีมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วย ขอบคุณนลล้นนะครับที่เราทบทวนอัลกุรอานโควิดแล้วก็ไม่ได้หยุดเลยนะแต่พอหยุดนมาผมหยุดนมาเพราะไม่ลูกหลานเยอะเนี่ <c oughs> ก่อนนมากันที่บ้านอบรมกันที่บ้านนะครับขอบคุณนลล้นนะครับที่เราได้อ่านกูร์านทบทวนอัลกุรอาททนอาอานี่ <c oughs> ถ้าเราจํากันหมดนะอรออะไรอนะ <c oughs> ไปไปต่อยอดได้สบายเลยถ้าเราจำหมดเลยนะรอวันทำดีละ เอากุาณอานนี่นะได้อธิบายต่อนะครับแล้วก็เสริมฮะดีสนะครับแล้วคุณอ่านอธิบายคุรอ่านเนี่ยทำอยู่ลิละดีหมดเลยทำอยู่ลีละขอบคุณเราเราเรามาถึงสุรยาซีนี่ของจริงสุรยาซีนนี่เราท่องกันจํานะส่วนใหญ่ท่องจํานะแต่ไม่เคยรู้ความหมายแล้วมาก่อ น, นีนเราเข้าใจผิดนะทวนใหม่นะว่าอ่านสุรยาซีนให้กับคนใกล้ คนป่วยคนใกล้จะตายเนี่ยในความเชื่อของเราเพราะคุณลักคูณใหย่เขาสอนมาไว้อย่าสอนให้อ่านกรุรานอดีมมั้ยดีแต่สอนมาว่าถ้าอ่านคุรานโซรยัสีนให้คนใกล้จะตายเนี่ยทําให้เขาตายง่ายขึ้นตายสะดวกตายสบายพเพราะไปเช็คฮะ ด, ดิษแล้วเป็นฮะ ด, ดิษดีเขาเรียกว่าเมาดว้วะแต่อ่านไม่อ่านอย่าอย่าอย่าไปนึกว่าต้องอ่านโซรยาสีนให้คนใกล้จะตายอ่านโซร์ลไหนก็ได้ อย่าไปเจาะจงพอเป็นฮะดีสที่ไม่แข็งแรงและอีกฮะดีสหนึ่งอธิบายบอว่ากุรานนี่เป็นสุรยาซีเนี่ยเป็นหัวใจของอะไรนะของอัลกุรอานแต่ฮะดีสนี้ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเช็คดูแ ล, แล้วนะอุลามารุ่นใหม่นี้ด้วยเช็คบินบุนบินบาสเนี่ยเช็คอัลบานีเป็นนักฮะดีสทั้งหมดนี่ยนะเขาเป็นนิชัยแล้วว่าเป็นไมชะดีสที่มาจากนบี นะครับไม่ใช่มาจากนบีเรามาจากไม่รู้ใช้มายัดก็ไปอ้าอิสลามมันปนใชาโอ้โหให้พวกเรายัดง่ายมากงีิแต่เราก็ต้องเรียนนะค่อยๆศึกษาไปเราสืไ ป, ปขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอ์ให้ความรู้มานั่นทำดีแล้ววันนี้มาถึงอายะะเท่าไหร่อายะที่19อายะที่18นะนะครับ อ, อ, อายะที่18พูดเรื่องอะไรไปนอนพูดเรื่องลางร้าย พูดลางร้ายลางร้ายลางร้ายเรียกในภาษากุราหว่าไง น, นะเออตาตอยยัรนาะนะครับตาตอยยารนาะลางร้ายนี่มันมีมานานแล้วนะเรื่องลางร้ายในอิสลามไม่มีนะในอิสลามบอกว่าไม่มีลางร้ายเรื่องลางร้ายไม่มีทั้งหมดนี่มาจากอัลลอฮ์หมดเลย ล้างร้ไม่มีเพราะพวกเรานี่ถูกสอนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยคนโ ต, โตโตแชร์แชรเราเนี่ยบอกว่าไงนะเวลาจงจึงจบทักใช่ไหมไม่กล้าออกจากบ้านนี่มันลางไม่ดีนะลางร้นะอย่าออกนะนั่งก่อนสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เราได้ยินมาเนี่ยอันนี้มันลางรานะ้ในอิสลามไม่มีนะคนที่นึกคนที่เชื่อแบบนี้นะเ ป, น เ, ปนเป็นชุรเป็นชิลิ แล้วก็ผมอยู่ในอินเดียมานานนะแปดเก้าปีความรู้ที่ได้อย่างหนึ่งถ้าออกนั่งรถออกไปถ้าเจอนกตัวเดียวเนี่ยนี่ลางไม่ดีถ้าเจอนกสองตัวเดี๋ยวจะเจอเพื่อนอ่าถ้าเจอนกสองสามตัวเดี๋ยจะมีสารมาจะมีเกิดหมายมาอโอมัน นีมันลางลางลางดีมั่งลางลายม่าในอิสลามมีรือมีลางเนี่ยไม่มีครับทั้งหมดนี่ต้องตวักการต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นกับเราอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วอยู่ในเรืน่นงนะอีมานข้อที่หกใช่ไหมกอด อ, อกกดอีอิสลามกุรอานต้องการจะเคลียร์เรื่องนี้นะเล่าเรื่องอะไรนะลางลางลายเนื่องจากนาบีอิสลาฮิสลาลาสาเหตุเนี่ย นบีอิสานี่อัลลอ์เป็นนบีของอัลลอ์นก่อนหน้านบีมุฮัมมัดลลัลอุสัลลัมประมาณห่างกันประมาณห้าร้อยกว่าปีนบีมูซามาทำงานศาสะนาหนาเหนื่อยหนเหนือยแบบนบีมุฮัมมัดนั่นแหละเหนือยแบบนบีอิบรอฮมเลยเหมือนแบบนบีนนะถูกรังแกใช่ไหละ่ะถูกล้อมบ้างอะไรบ้างยโฮดีน เ, นลลเนี่ยตัวนำอ่ะจะว่าล่ะแอัลล์เนี่ย ส่งอันนี้เราเราไม่เล่าประวัตินบีอีสานเล่าว่านบีอีสานเคยเคยส่งเขาเรียกว่าฮาวาริยูนคนที่เชื่อนบีอิสาในยุคนั้นนะเรียกว่าฮาวาริยูนแต่ในยุคของนบีมุฮัมมัดเนี่ยเรียกว่าสฮาบะนบีอีสาก็ทงส่งฮาวาริยูนเนี่ย ท, ที่แรกไปสองคนไปทํางานศาสนานี่แหละชาวบ้านรับหรือไม่รับ สนใหญ่ไม่แล้วเราไปที่เมืองอันตเกียนี่เล่าประวัติให้ท่านนเมืองอันตอกียนี่เป็นเมืองที่อยู่ในประเทศเนี่ยซีเรียรนี่แหละประเทศซีเรียอ่าสัพพิโตก็เทียบกับประเท ศ, เทศชามสมัยก่อนเด้ประเทศชามรวมหมดเลยนะชาว บ, บ้านเขากนะ็รุมด่างรุมไร่ไปไาไปไม่เชื่อโลกที่นั่นนะ่ะมีโบสถ์สวยโบสถ์คริสเตียนน่ะนะทำด้วยทอง อาการดีคนคนมาเยอะประเทศรวยอคนก็รวยอแต่เอาศาสนาไห ม, ไมเอาศาสนาก็เพราะว่าพวกเราในในรอทมมอนะน บ, บีอีสาก็เป็นหัวขอลเราเอาส่งส่งอะไรส่งฮาวาดีอยู่ไปทำงานาศาสนาก็ถูกไล่มาแล้วก็ฝาอาจารศสนาบีซาลิสินแล้วต่อมาอัลลอด์ได้เสริมน บ, บีอีสาก็เสริมไปอีกคนหนึ่งเป็นสามคนไปช่วยกัน ทั้งหมดนี่เป็นคนดีหมดเลยนะแต่คนทํางานศาสนาเนี่ยชาวบ้านมองเป็นคนชั่วแต่อัลลอฮ์กับ น, นบีอีสามองเป็นคนดีแต่ชาวบ้านมองเป็นคนไม่ดีวันนี้ก็เหมือนกันคนทํางานศาสนาเนี่ยก็ถูกถูกมองเรียกลบๆหมไม่ใช่มองบวกเรามองลบๆแบบมองแบบเอ็นนี่มาต่างกันกับโควิดล้วก็ต้องเนคเนตเราทำใจเราทําใจเราทาใจ อาวันนี้มาอายาที่เท่าไรอายาที่สิบเก้ากาลตอิรุคุมมาคุมอินซุกิรตุมบัลอันตุมก้าวมุมมุสริฟูนวกกาลุตอิรุคุมมาคุมอินซุกิรตุม bal antum caumum musrifun ธรรมดูลีลาต อ, อิรุกุมเนี่ยแปลว่าลางร้ายของสูเจ้าเมื่อจากต อ, อิรุนแปลว่านกเดิมมันนะนะเขาดูนกกันนกบินไปทางซ้ายลางไม่ดีมาทางขวาลางดีอะไรพวกนี้แหละในคักรุ่อ่างก็ตอนจะเอาจะ คือเวลายกยกคุณอ่านมาอายาหนึ่งที่ที่อัลลอฮ์ส่ง ม, มาเนี่ยมันเล่าถึงประวัติเล่าถึงนิสัยเล่าถึงความประพฤติของคนในยุคนั้นด้วยนะคนในยุคนั้นก็พ่อพ่อก็ยุคเรานี่ยละเชื่อโลกเชื่อโชครางแต่ทุกคนนี่เวลาเป็นใหญ่เป็นโตนี่เชื่อโชครางหมดเลยเชื่อหมอดูหมดเลยนะ <S <S โอ้โหนะครับอย่ า, ยาไปแตะเยอะอันตราย ก็ดูตออยูกุมมากุมเขาทั้งหลายกล่าวว่าลางร้ายมาถึงคนที่ไปทำงานาศาสนาเนี่ยสามคนเนี่ยนะผมจริงก็เวลาไปคนที่ إ ي มาน ก, ก็มีไม่มีนะทูตกล่าวบอกว่าลางร้ายเนี่ยของพวกท่า น, นยอยู่ที่พวกท่านเอง จะมาโยนใส่นบีอีสาจะไปโยนใส่มุสลิมเป็นตัวแทนของนบีอีสามาทํางานศาสนาเนี่ยเพราะว่าตัวแทนของนบีอีซาเนี่ยมาพูดเรื่องสามเรื่องนะเรื่องอัลลอฮ์มีองค์เดียวสอ้อมตายแล้วฟื้นแล้วก็ถ้าคุณไม่เชื่ออัลลอฮ์มีองค์เดียวทําไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นแล้วก็มีชรีอาด้วยทํานูน้ทนทํานี้ถ้าคุณไม่ทำเนี่ยตายแล้วคุณจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ ไอ้โทษที่คุณพูดเนเป็นลางร้ายทั้งหมดเขาก็ดานักดาว่านักตับลิกที่ออกไปทำงานศาสนานี่แหละทีนี้เขาก็ตอบกอลูป อ, อิรุกุมมาอากุมเขาทั้งหลายกล่าวว่าลางร้ายของพวกท่านอยู่ที่พวกท่านเองมาอากุม คุณคิดอะไรมันก็เป็นแบบนั้นนี่แหละแต่หลักการมีไหมไม่ไ ม, มีในอิสลามตั้งแต่สมัยไหนแล้วไม่ไม่มีเขาไม่เชื่อเรื่องโชคลางของกงของขลังในอิสลามไม่มีอาซิมัตไม่มีไม่มีมมยศยุทธยาเาารื่งเราบิด จ, จ, จออัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นเองนะครับอินซุกกิรตุมพวกท่านได้ถูก ต, กตักเตือนมาก่อนแล้วก่อ น, นั้นหรือมีนบีคนไหนบ้างที่มาสอนเรื่องโชคลาง ม, มีไหมล่ะ ไม่มีนบีองค์ไหนมาสอนเลยแต่พวกเองเข้าใจผิดเองอะ่ะหนึ่งมาได้ฟังศาสนามาได้ฟังอาเรลมุลมะสอนมาได้ฟังนบีก็พอไม่ฟังนบีเสร็จแล้วก็โลกโชครางนาโชคดีมีโชคนู่นมาอย่างพวกเราเหมือนกันใช่ไหมเวลานกบินตอนกลางคืนนี่ไหมตอนสามสี่ทุ่มโต๊ะก็บอกว่านี่มันเสียงฉีกผ้าขาวนี่ไหมเราก็จําึ้นมาตั้วแต่วันนั้นจนวันนี้ในว่ามีคนตายอะ่ะ อัคดา์ไม่ถูกเรื่องเล็กๆน้อยๆ อ, อิสลามยังไม่ยอมเลยไม่เห็นไงทั้งเวลาเราตายกลับไปหาอัลลอ์เนี่ยมันต้องกายแบบใจบริสุทธิ์เขาเรียกว่าอิคลาสสะอาดไม่มีอะไรเป็นเชื่อโชครางของกลงไม่มีในอิสลามสะอาดบริสุทธิ์ทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะครับพี่น้องบัลัตุงคาอุม ม, มุสริฟุน บ้านแปลว่าใช่แต่เท่านั้นพวกท่านเป็นหมู่ชนผู้มุสลิฟุนแปลว่าฝ่าฝืนอัลลอฮ์พวกคุณเองต่างหากแหละเป็นผู้ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์ฝ่าฝืนคําสั่งของนาบีผู้ที่เป็นตัวแทนนบีอีซามาสอนกับนบีอีซาเองก็ไม่เชื่ออยู่แล้วขมาดเป็นลูกศิษย์ของนบีอีสามาสอนเองก็ไม่เชื่อเองอ่ะฉะนั้น พวกเองต่างหากเนี่ยเป็นผู้ที่แบบก่อความอะไรนะฝ่าฝืนวุ่นวายอยู่บนเรื่องดนยาไปเลยนี่แสดงว่าอัลลอฮฺเนี่ยเป็นห่วงมนุษย์นะใช่ไหมส่งเนี่ยตามหมู่บ้านนัดไดก้ก็ตามที่มีอาเลมอุลามะอย่างอย่างนาบีไป น, นี้หมดแล้วใช่ไหมถ้ามีอาเลมอุลามะอยู่ในบ้านเนี่ยนะอยู่ในหมู่บ้านเราต้องดีใจนะอัลลอฮฺมีคนรู้อยู่ในบ้านเราลามดุลิละแล้วเขาสอนด้วยแล้วห้มดุลิล นี่ก็บตากาจัดเติงผู้รู้เหมือนกันมีความรู้มาแล้วไปสอนคนนะ่ะพิษยังแรงเลยนะไม่กล้าสอนอ่ะตะแต่แต่คนี้พอนะแต่แรงมีป้ปัญหาอีกก็ดูตออิรุกุมมากรุมเขาทั้งหลายกล่าวว่ารางร้ายของพวกท่านอยู่ที่พวกท่านเองออินยุกเกอร์ตุม พวกท่านได้ถูกตักเตือนมาก่อนแล้วกว่านั้นหรือถือแต่นาเรื่องโชครายเนี่ยนบีคนไหนมาสอนบ้างนะมีไหมล่ะให้ถือโชคถือรางถือโชคลงโชคั้นไม่มีนบีคนไหนสอนตั้งแต่นบีอาดัมเรื่อยมาเนี่ยนะครับบาลตุมเก้มุมุสริฟูนใช่แต่เท่านั้นพวกท่านเป็นหมู่ชนผู้ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์ต่างหากทาอะไรบ้างหนึ่งพวกท่านทําชีริก อ่าสองพวกท่านเนี่ยต่อต้านท้าทายคำสั่งของอัลลอฮ์สามาความชั่วนี่รือเชื่อเรื่องโชคลางนี่ก็ผิดแล้วอิสลามสอนผิดคุณทำผิดแล้วก็โดยโทษตัวนี้กคงจะรู้ในสายแน่นะกันเล่าให้ฟังคุยกันตรงๆนะครับเป็นการอธิบายอิสลามในยุคนั้นกับยุคนี้อิสลามเหมือนกันนะครับยึดถือ Allah. อัลลอฮ์องเดียว ทนี้เรื่องโชคลางเนี่ยนะโชคลางนในสมัยมูซาเนี่ยสมัยนบีมูซาสมัยอะไรนะฟาโร่เนี่ยก็เชื่ออย่างดีเหมือนกันพวกบณนีพวกพวกกิปตี้เนี่ยก็เชื่อเรื่องโชคลางเหมือนกันอธิบายอย่างนี้ในกุณอานสุรอ่าอัลอฟอายาทีหนึ่ง30อยาวันแล้วก็อัคโคสนี Masyai wa idaja athumul hasanatu qaululana wa intusibahum syi'at ayaktoyarubimu wa mamahu wa mamah. Atiha seperti ini, Mereka yang datang ke Israel, Israelin, Kipri, dan orang ini, mengatakan ini adalah bagian. เป็นส่วนของเราเมื่อความดีมาหาพวกเขาพวกเขาว่าเออนี่แหละเราไมา่ต้องอยู่อย่างนี้พบแต่ของดีของดีของดีแต่ถ้าความทุกข์มาประสบแ ก, บพก่พวกเขาพวกเขามองว่านี่เป็นโชคลายใครนํามานาบีมูซานํามากับคนที่อิมาต่ตอนบีมูซานํำโชคลายมาให้ไอเรื่องโชคลายเนี่มันจะเกิดขึ้นทำัยนบีอีซานะมูซา พวกบันิอิสราเอลพวกทิฟตี้พวกฟารโรนีิก็อันนี้ก็พวกก็พวกนี้ก็เชื่อหมอดูอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เชื่ออะไรอีกทํานายทายทักแล้วก็เชื่ออะไรนะไอ้ที่เอางูเหา่าเอาไม้ตะโพนมาเป็นงูเนะ่ยเชื่อโชคลางใช่ไหมสายศาสตร์อ่าสายศาสตร์เรียกว่าเ ส, ส, สเข่าดูเสพเชื่อกเป็นเป็นงูบ้างนี่ทั้งหมดเหล่านี้ในะอิสลามห้ามหมดเลยนะแต่อัลลอฮ์เนี่ยส่งนบีมูซาเราเพืจะมาปราบมาปราบ เรื่องโชคร้ายทั้งหมดอามาย์ตะพดมานั่นเป็นว จ, จิศาสตร์ไม่ใช่เป็นสยายศาสตร์คนละด่างกันไม่เหมือนกันนะครับต่อมาครับอายาที่ยี่สิว่าจะอามินอักลมัดีนที่รจุลุยยัสศนะก้อลียเควมิตะบิอุลมุรสลีน ว่ Akbar. าจากในอัลมาดีนที่นะท ร, ทรัจูยลย์ย์ย์ยอย์ย์ย์ยอย์ย์ย์ยอย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์น์ย์ย์ย์ย์ย์ย์นอ่์ย์ย์ยี่์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์น์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ มาอะไรมามรก็มาช่วยสามคนนั่นแหละมาช่วยดาวะตับลีกอิสลามนะนะเผยแผ่คนที่สีนี่มาจากไหนในคุรานิธทบายอย่างนี้ว่าจะามินอักซอลมาดีนะอักซอเนี่ยแปลว่าไกลยอยู่ไกลยอยู่แดนไกลยอยู่ประเทศไกลยอยู่เมืองไกลนะครับ คันมัสยิดอัลอัลอัอกซอร์เนี่ยคำนี้แหละแปลว่าอยู่แดนไกลมัสยิดอัลอกซอรไกลนะครับและจากส่วนไกลยิ่งอัลบาดีนาของเมืองนั้นเมืองอันต ო กิยเนี่ยเขาจะประเทศมันใหญ่ใช่ไหมละ่ะมาจากชาญเมืองมาเจาชนชนชนบทอันไกลมีชายคนหนึ่งร อ, อยูลุนยัสอามาอย่างรีบเร่ง มีชายคนหนึ่งจากส่วนไกลของประเทศรีบมาอย่างเร่งด่วนมาทำไมเมื่อรู้ข่าวว่าสามคนที่ไปสอนศาสนาที่เมืองอัมตอกี น, นั้นมีคนประท้วงมีคนไม่ชอบมีคนแอนตี้มีคนเล่นงานจะฆ่าล้วเสยรู้เรื่องไปถึงชายคนนี้ชายคนนี้เป็นคนยังไงในตำซีต์หลายๆเล่มอธิบายอย่างนี้ ชายคนนี้นะมาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมหรอกเป็นโรคเรื้อนมาตลอดโรคเรื้อนนะเขาเรียกว่ายูซามที่เราขอดุอาอัลลอฮฺไม่อินนียอซิแกมินอนยูซามีวลวลยูนูนใช่ไหมอ่านี่โรคโควิดนี่ะโรคเรื้องนี่มีด้วยนะขออุอาอยู่แล้วแต่คนนี้เป็นโรคเรื้อนมาประมาณอายุเจ็ดสิบปีนะขอดุอาต่อเจ้าเวทขอจากเจ้าเวทนะ ให้โรคจุราโรคโรคเลือดนี่หายหน่อยขอมาเท่าไหรไม่หายแล้วก็ต่อมาก็มาเจอกลุ่มสามคนนี่แหละก่อนหน้านี้นะคงจะเป็นหลายปีเป็นปีน่ะนะไอ้สามคนเนี่ยก็เชิญชวนเนี่ยคนที่อยู่ไกลที่วิ่งมาเนี่ยนะรับอิสลามก่อนหน้าแล้วนะก็เล่าบอกว่าฉันนี่เป็นโรค ยูซามโรคอะไรโรคเลื่อนมาตั้งเจ็ดสิบปีแล้วเขาบอกเุารับอิสลามเลยไปต้องสอนคุณแล้วก็เดี๋ยวหายเลยอินชาอัลลอฮฺเขาว่าอิสลมมามไม่ดีใช่ดีก็มันก็รับอันนี้มันก็ให้เขารักษาก่อนนะพอรักษาปั๊บเนี่ยโรคโรคแล้วโรคเลื่อนนี่มันหายพอหาเสร็จแล้วก็ إ ي م านขึ้นเลยรับอิสลามเลยอัลลอฮฺอิมานเนี่ย ทำอยู่เรื่เนี่ยรักษามาตีปีแล้วไม่หายอพอมารับอิสลามเนี่ยผมเลขอดุองอาต่ออัลลอ์นี่อลัลลอ์เนี่เก่งจริง ๆ, ๆสามารถไทยโรคหายได้รับอิสลามแต่นี้อาชีพของเขานี่อุลมามะก็อธิบายไว้มีอยสามสามอาชีพที่เขาขัดขัดแย่งกันหนึ่งเป็นช่างไม้สองเป็นอะไรนะเออ และเป็นเป็นช่างไม้นะเป็นช่างไม้เขาบอกว่าถ้าหากฉันหายโรคนี่หายเมื่อรับอิสลามแล้วอาชีพของฉันที่ทํามาหากินอยู่นะรายได้เดือครึ่งหนึ่งฉันจะบริจาคในหุททางของอลัลลอฮ์เขาก็ทํามาตลอดเนี่ยแล้วต่อมาก็มารู้ข่าวว่าบ้านเดิมของเขามีอยู่ตรงนี้แหละไปย้ายไปทํามาหากินใน ต, าตน่างจังหวัดน่ะพอรู้ข่าวว่า หมู่บ้านตัวเองเนี่มีคนมาสอนแล้วก็รีบมาไะพอรีบมาก็มาเจอเนี่ยพวกนี้กันวางแผนจะฆ่าทูดสามคนนี้ยคนนี้เข้ามามาช่วยอบอกญาติพี่น้องเอ้ยอย่าไปทะเลาะกับเขาเลยอย่าไปด่าเขาเลย<ม>เชื่อเถอะ<ม>คนที่มาสอนศาสนาเนี่ยเขาพาคุณไปสวัสดนะก็ละชาคนี้พูดว่าไงนะอยา่าเขาโอ้พวกของฉันเอ้ยอิ จะเอาลมรสลีจงปฏิบัติตามทูตทั้งหลายเถิดพูดดีใช่ไหมมาเสริมพี่น้องเ อ, อ, อย้ยบัเละเาะเขาทำไมไปเอาดินคว้างเขาทำไมไปด่าเขาทำไมแบบนบีมุฮัมมัดอะไปเมืองอะไรต่อเอถูกกี่เรื่องสามเรื่องถูกดา่าถูกไล่แล้วก็ถูกเอาหินคว้างไอ้นี่ก็เหมือนกัน คนที่ต่อต้านเนี่ยมันไม่ได้พูดอย่างเดียวเรามันวางแผนทําลายด้วยเนะี่ยใช่ไหยแสดงว่าคนที่ถ้ายังไม่มียิมานเนี่ยโหดไหมโหดหมดเลยก็มาดูไซนาอุมัดเหมืกันใช่ไหมก่อนรับอิสลามมาถือมีดจไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้พอน้องสาว ร, รับอิสลามก็โมโหใม่ไปตบหน้าเขาแล้ว ต, ตบน้องเคยเขาดังว่าโหดต่อม า, มารับอิสลามใช่ไหม พราะรับ ป, ปาเราเป็นนิสัยเปลี่ยนน่ะโดยเหตุ น, นี้ก็ถึงถึงว่าให้ เ, เรียนอิสลามให้เข้าใจอิสลามให้เรียนอิมานพอเรียนอิมานแล้ววิสัยมันจะเปลี่ยนหมดเลยลูกเราก็เหมือนกันน่ะเนี่ยเด็กหนุ่มๆเนี่ยเด็กหนุ่มๆเนี่ยรู้ป่าเอาเ อ, อตั้งแต่สมัยสมัยนู้นมาแล้วนี่นะจะให้ลูกเราเนี่ยไม่ติด ไม่ติดของฮามี่ว่าง่ายๆเนี่ยนะมีอยู่อย่างเดียวเลยนะนามาซุบโบเนี่ยปลุกลูกให้นามาซุบโบ่ซะกับยิ่งมามานามากับยามาอาด่านี่นะอินชาอัลลอฮ์ลูกเราไม่เสียครับมีอยู่ข้อเดียวนะปลุกลูกเราเนี่ยให้นามาดแล้วก็พามามามัสยิดได้อันนี้เก่งแล้วสิมานามาดกับพ่อ ก, กับมานามายกับยามาอาที่มัสยิดลูกเราไม่เสียครับ ยิบัญญัติวุฒิมาในโลกเขาถึงห่วงอ่ะข่วงอุมมาของนบีประมาทเนี่ยต้องมีศาสนามีศาสนาอย่างเดียวรู้อย่างเดียวไม่พอต้องอะไรต้องปฏิบัติ ด, ด้วยเราปฏิบัติเรื่องนมาฎอย่างเดียวนี่จนะสามารถแก้ปัญหาได้เยอะมากเลยให้ลูกในมานมาฎดยเฉพาะยิ่งในมนาฎซูบูที่มัสยิดเนี่ยนะพยายามปลุกมาให้ได้และอิชอัลลอฮ์จะแก้ปัญหาตา่ตางๆได้หมดเลยเนี่ย มันจะเอาล่สุสภาหนูตายแลว้วิธีแก้มันมีใช่ไหมล่ะแต่รัฐบาลบางทีมันก็แกน่นี่ออกกฎหมายใหม่ใช่ไหมอนุญาตให้ผู้หญิงกับผู้หญิงได้การกันได้แล้วผู้ชายกับผู้ชายใช่ไหมเนี่ยเราก็ทำไงแล้วก็ต้องมองคนที่มีอํานาจก็ต้องขึ้นไปพูดใช่ไหมทำหนึ่เลยแล้วนี่ก็ต้องต้องเรียนหมดเลยอะเราจะาเออดีใจดีใจอย่ า, าล่อเล่งงานเองด้วยนะงั้นก็ ควางในใจมั้งอัง น, นี้แตกกันเบื้องเล็กหน่อยๆ อ, อาต่อมาครับว่าจะอามินอักุศลมาดีนที่ราอยูลวียาสนาและจากส่วนไกลของเมืองนั้นมาจากต่างจังหวัดนั่นแหละมาไ ก, กลๆนะพี่น้อง มีชายคนหนึ่งรอยูลุ่นคนนี้นะได้อีมานต่ออัลลอ์แล้วผ่านชายสามคนนี้แหละแต่เมื่อหลายเดือนหลายปีมาแล้วนะครับมาอย่างรีบเร่งยัสอาเนี่ยแปลว่ามาอย่างรีบเร่งพอมาถึงภาพก็ามาสนับสนุนมาเชิญชวนชาวบ้านบอกว่าก็ลยายเก้ามีโอพวกของฉันเอยอยิตาเบอุลมุรซลีจงปฏิบัติตามทูต ที่เขามาสอนนี่เธอเชื่อเขาเธออีมานของต่อเขาเธอต้อนรับเขาเธอนั่งคุยกับเขาเธออย่าไล่เขาเลยอย่างนี้เป็นต้นกระจายนะอัลฮัมดุลิลละทีนี้คาว่าจะอามินอักษลมาดีนตะิรอจุลุยส์อ่าจะมีอีกอายาหนงนะึงอ่ะอิมพาวด์จำได้เปล่าตอนที่นบีมูซาต่อยใครนะต่อยพวกกิฟตี้ตายใช่ไหมล่ะ และมีชายคนหนึ่งเนี่ยว่าจะแต่พูดคนละอย่างนะยว่าอรอยูลูนก่อนว่าจเอรอยุลุมมินอักซอมาดีนาติยะสาพูดประโยคเดียวกันเลยมีชายคนหนึ่งมาจากชนบทนะครับวิ่งมาหานาบีมูซาบอกว่ายามูซาอินอนัลมาลาอยาตาเมรูนนบีกพูดหลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลเข้าใจนะ วางแผนที่จะฆ่าท่านฟักรุชเฉยหนีไปเลยอินนีล้ก็มินันนาฉันนี่มาแนะนําคุณเตือนคุณเพราะฉันอยู่ในวงราชการฉันรู้ดีเขาวางแผนก็แล้วคือกษัตริย์ฟาโรกับขุนนางต่างๆอยู่ในสภาเนี่ยนะเขาวางแผนจับคุณแล้วแล้วก็จับแบบฆ่าตายด้วยเนี่ชายคนหนึ่งวิ่งมาจากหนานมากจากชนบท แบบนี้แหละวิ่งมาใช้ภาษาเดียวกันวาจาโรยุลุนมินอักษลมารีนติโรยุลูยยาสอาไอนี่ก็วาจาอามินอักษลมารีนติโรยุลุยยาสอาใช้ภาษาเดียวกันวิ่งมาเหมือนกันมัดบอกกันนบะีมูซาให้หนีแต่คนนี้บอกให้พวกให้อีหมานต่างกันนะแต่ทุกคนเป็นคนดีหมดเลยเป็นคนที่มีอีหมานท่านคนที่มีอีหมานต่อรอดเนี่ยเขาจะสนับสนุนด้านศาสนา คนที่มีอิมานตอเลาะสงสูงเขาเป็นห่วงโตครูกันนะเขาเป็นห่วงคนดีก็สามคนเป็นอาเล็มบุลมาใช่ไหมละ่ะที่ส่งมาน่ะพะรู้ข่าวว่าถูกแอนตี้จะถูกเล่นงานจะถูกดา่าจะถูกฆ่าไอ้นี่ก็มาบอกไอ้พวกยาย า, ย า, ย า, ย า, ยาแล้วเป็นไงไอ้คนที่มาห้ามจะถูกอ่ะต่อไป21นะ อิตตบิ عوم الله يسألكم أجرهم وهم مُتَدُون ัลลอฮฺพูดยังไงครับอิตตบิ عوم الله يسألكم أجرهم وهم مُتَدُون คนที่มาจากชนบทเนี่ยที่วิ่งมาเนี่ยรีบมาเนี่ยนะมาถึงก็มาพูดอีก ประโยคที่สองนี่ดีมากนี่อลัลลอฮ์พอใจนะพอใจคำพูดของคนคนนี้จึงจับเอาคำพูดนี้ให้ยิบรีนมาเล่าให้นบีมุมฮัมมัดฟังอ่าเนี่ยเลาเชิญชวนคนเนี่ยอย่าไปพูดเละเทะดูลกุรอานอิตตาเบียวจงปฏิบัติตามมัลลายัสอลุกุมผู้ที่มิได้เรียกร้องอัจรอนรางวัลตอบแทน เนี่ยคนที่มาสอนศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้เรียกเงินเรียกทองเรียกนู่นเรียกนี้ขอนู่นขอนี้จากพวกคุณสักนิดหนึ่งอะมาสอนให้ฟรีๆเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณเพราะเขารู้เรื่องอาครย์เยอะกว่าเขาก็เอาคำสอนจากอัลลอฮ์ผ่านนบีอิสาเนี่ยมาสอนพวกคุณนี่ยคุณยังไม่เอาอีกหรือ วาหุมุตาดูและเขาทั้งหมดที่มาเนี่ยนะเป็นผู้อยู่ในทางนำที่ถูกต้องแล้วมารับรองสามคนนี้ว่าเป็นคนดีและคำสอที่พามาก็เป็นของที่มาจากอัลลอฮฺผ่ า, านนบีอิซามาเรื่องดีทั้งหมดแล้วคุณไปต้านกันทำไมใสดงว่าการต่อต้านเนี่ยมีมานานยังโอ้โหจะจะสมัยไหนนี่มาสมัยในอิซาใช่ไห สามูซาก็มีสบายนัวก็มีอิบราฮิมียุคทุกสมัยต่อต้านอิสลามหมดเลยสมัยนบีมุฮัมมัดนบีก็พูดนะคนที่ต่อต้านอิสลามเนี่ยนะเรียนแล้วใช่ไหมเวลาอยู่ไฮกุลมักรุสัยอิลลับิอาลีคนที่วางแผนทำลายกุรอานทำลายมุสลิมทำลายนาบีทำลายอัลลอฮ์ทำลายอาตีดะที่ว่าตายแล้วฟืน้น ฟื้นมาแล้วได้รับรางวัลตอบแทนอีกนี่นะโอ้โหมันเป็น i m p o s s บ b l e เป็นไปไม่ได้เลยคนที่วางแผนทำลายนะทำลายทั้งหมดเลยนะแผนนั้นกลับมาหาใครกลับมาหาผู้ทำลายเองก็เลยนึกว่าโรคโควิดนี้ก็ใช่หรือเปล่า <laughs> ใช่ไหมเ <laughs> ป็นต้องต่อยอดได้เองอัลลอฮฺอัลล ผมอาบาษาอุดด้วยนะสาอุดุบอกว่าด่าว่าตับลีกิซีเกษมกิดุนจาวีมาอาริดิกิลาจัลเมนอฮ้คัตเตคนที่มาสอนศาสนานเขาไม่ได้หวังอะไรเลยเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศคำยกย่องชงเชอจากประชาชนเนี่ยไม่ได้หวังเลยสักนิดนึงเขาหวังอย่างเดียวให้คุณเนี่ยเข้าใจอิมานเข้าใจอิสลามพอเข้าใจแล้วเนี่ยทุกเสียงทุอยามดีหมดเลยใช่หรือไม่ใช่อะ่ะก็นึกถึงใครนะ ซอฟบ้นานนบีชื่อซอฟบ้นานนบีเยอะนะถ้าจะเล่าเรื่องมันเยอะเอายกตัวอย่างคนดังๆนบีได้เพราใช่สิไซนาอุมัรอดีลอลลอฮฺอ้งอ่นดูใช่ไหมล่ะและอย่างหนึ่งไซนาอบูบากัตเนี่ยเหล่านี้ตั้งนะวันที่นบีมาพิชิตนครมักกะเแล้วเนี่ยไซนาอบูบากัตเนี่ยพาพ่อมาหานาบี นบีว่าอบูบากัพาพ่อมาหาฉันทําไมอะ่ะฉันต้องไปหาพ่อเห็ยังนี่อัครลักอย่างนี้นะคือเด็กต้องไปหาพาบผู้ยาเนี่ยอิสลามสอนให้เรามองเป็นเรื่องเล็กๆไม่ใช่น่ะเรื่องใหญ่นะ่ะเพรานหลักคำสอของอิสลามแต่ละข้อแต่ละข้อที่นบีนํ า, ามาที่นบีพูดเนี่ยอบูบากัคุณพาพ่อมาหาฉันทําไม ฉันต้องเดินไปหาพ่อคุณไอเป็นอิสลามหมดเลยเห็นยังครับเนี่ยเราอยังมองเป็นเรื่องเล็กๆนะมันเรื่องใหญ่ทั้งหมดนะท่านสอนลูกเราอ่ะพาลูกเราเนี่ยไปเยี่ยมญาติอา้าวบาทบารณีญาติบารณีเขาดา ม, มันเรื่องของเขาแต่เราทําหน้าที่เพราะอิสลามสั่งเราแล้วให้ทารางวัลมีไหม อ, อัลลอฮาไซน่าเอาไม้เคยตบหน้าน้องสาวใช่ไหม พอร mm. er. like, ัิ伊斯兰เระเป็นไงร้องให้ก็เก่งไงเจออายาคุรอานร้องให้ข้ออักบัตยิ่งใหญ่มากเลยอัตวาครับยี่สงวะมารีอาละอับดุลละีฟัตตรนีไวไลทูร์จั วามาลียาลาอาบุดุลละดีฟัตุรอนีไว้ลัยทูร์จามอันนี้วามาลียาลานี่ขึ้นยุคขึ้นยุคใหม่แล้วนะ <c oughs> ยุ <c oughs> ยที่เท่าไหร่เนี่ยน่าจะยุ <c oughs> ที่สามสิบยี่สิบสามอายุที่ยี่สิบสามตอนเป็นนักเรียนผมจำหมนเนี่ย ยยี่ยี่สบสามใชมะวามาลียาลาในตอนเป็นนักเรียนนะนะก็แข่งแขงกันอยู่อายาที่ยี่สองเนี่ยอธิบายอย่างนี้คือคนที่มาเชิญชวนาญาติพี่น้องบอกให้เชื่อสามคนนั้นแล้วก็เชื่อกันไปเถอะเพราะดูดูคำสอนของเขาคี่เขามักจะสอนเรียกร้องไปหายายไปหาใครเลยเรียกร้องไปหาอัลลอฮอย่าทำชีริก อย่าทำของที่อัลลอฮ์ไม่ได้ของที่ห้ามเขาสร้างมาให้ทำและอธิบายเรื่องเรื่องเต่อเหตุนี่อธิบายเรื่องเตาอเหตุฉะนั้นด่าว่าจะต้องพูดเรื่องเตาอเหตให้มากกว่าพูดอย่างอื่นนะอย่พูดฟิกกอเยอะให้พูดอะไรนะพูดเตาอเหตุเชิญชวนคนให้หาอัลลอฮ์เยอะๆนะครับวามลีอะมีเหตุอันใดแก่ฉัน ละอาบุดูฉันจะไม่พักดีและฉันมีเหตุมีเหตุผลอันใดแก่ฉันแล้วที่ฉันจะไม่เคารพพักดีอัลลอฮฺฟาตอรณีผู้ได้ทรงบังเกิดฉันหมายถึงอัลลอนะ ว่าอีไลตูรยองและยังอัลลอฮที่พวกท่านจะถูกนํากลับไปไปรับการชําระบัญชีในวันเตี๋ยมาเนี่มาสอนเรื่องอะกีดาใช่ไหมแล้วก็สอนเรื่องอะคิรอสอน เ, เรื่องเรื่องใหญ่มากนะพี่น้องเพราะว่าทุกคนจะต้องฟื้นใช่ไหมลนะ่ะแต่อสอนเรื่องอะกีดาเนี่คนเชื่อยากกราเชื่องาเชื่อง่ายยากมากเลยเพราะว่าอะไรวิทยาศาสตร์เป็ิสูจน์ไม่ได้อ มีวันเี่ยงมาพิสูจนไม่ได้อะเราก็ฟื้นอีกโอ้โหพิสูจน์ได้ยังไงอ่ะเราก็มีรางวัลตอบแทนพิสูจน์ไม่ได้ด้วยไงะฉะนั้นอลัลลอฮฺเลยเลยส่งคนมาสอนคนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมละ่ะเตือนใจเตือนใจเตือนใจเตือ น, นใจกับลูกกับภรรยาแล้วก็ต้องพูดบ่อยๆนะ่ะเป็นแขกแล้วไม่ใช่อ่ะเป็นมุสลิมแล้ว เป็นมุสลิมแล้วมันนมาดเยอะไหมเยอะกัเพราะเราไม่เข้าใจคิดว่ามันจะมีอะไรแค่เป็นแคร์คงจะผ่านหมดลวเมื่อไม่ใช่นะครับวามีอาบูดุลละีและมีเหตุผลอันใดเล่าแก่ฉันที่ฉันจะไม่เขารพพักดีอันลดีฟกรอนีผู้ได้ทรงบังเกิดฉันก็คืออัลลอ์สุบฮานาูวะตอลางั้นต้องนึกต่อยนะ มนุษย์กับชั้นฟ้าเนี่ยอลัลลอฮ์สร้างอะไรมาก่อนแผ่นดินชั้นฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนแล้วก็สรรพสิง่งเนี่ยอลัลลอฮ์สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟาก่อนสร้างมนุษย์ที่หลังเพื่อนเลยนะ่ะเอาอายาในน่ะที่เราเคยผ่านมาแล้วน่ะอลัลลอฮ์นำเสนอเอามาหน้าใช่ไหมให้แก่แผ่นดินให้กับชั้นฟ้าให้กับภูเขาสามอย่างนี้รับไหมไม่รับ พอโตอาดัมมาคนสุดท้ายสร้างอาดัมมาจากดินอัลลอฮ์ก็ น, นําเสนอให้อาดัมเอาบาปอามานานี่อาดัมถามอ่ะอามานานาคืออะไรนี่รับผิดชอบดูแลเนี่ยแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าทําดีมีรางวัลถ้าทําไม่ดีมีโทษเอาคับเอาคับก็ย่อเรารับมาเราต้องรับผิดชอบด้วยวะเ น, นี่ยต้องดูแลโลกใบนี้อย่าให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้น ดูแลในบ้าน ต, ตัวเองตัวเองก่อนดูแลครอบครัวเราดูแลญาติพี่น้องคนอย้า้มีปัญหาว่ายังง่ายนะ่ะปัญหานะมีได้เข้าไปแก้เข้าไปแก่นี่รางวัลตอบแทนจากอัลอลอฮ์หมดเลยอย่างนาบีมุฮมมัดเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อ ย, ยอลัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังด้วยทํางานศาสนาเนี่ยหยุดได้ไหมล่ะไม่ได้นะหยุดไม่ได้ยับยัางคนไม่ให้กินดอกเบี้ย่นงานศาสนาใช่ไหม ไมให้ผู้หญิงกับผู้ชายทาดีนากานงานศาสนาผู้ชายกับผู้ชายอยู่ด้วยกันเป็นของอะไรก็เดซีปัจจุบันนี่นะไม่ใช่เรื่องนี้หละเอาเดซีนะเอารอดลงโทษมากี่กีก่ารายกครนะนนกห้ารายการ่ะวันนี้เมืองไทยก็เอาของอดลงโทษหรายการพร้อมกันนะอ่ะอำชาตย์อีกแหละกลั ว, ก, วกลัวอ่ะ ผ่าราช ก, การามัองทราบได้ไหมีอะไรบ้างหนึ่งฟ้าผ่าสองฝนตกลงมาให้แผ่นดินตกลงมาให้หินตกลงมาแล้วก็มีเสียงตะค อ, อกออกมามีห้าแล้วก็กรก้าสุดท้ายเนี่ยแผ่นดินพลิก ข, ข้า ง, ขขขขล ง, ขงล่างเพลิงกระบุนกระบนลงข้างล่างอ่ะแล้วก็มีก้อนหินที่ออกมาจากชั้นฟ้านี่ยมีชื่อติดด้วยนะใครๆๆที่วางแผนพวกนักการเมืองทั้งหมดนั่นแหละ มีชื่อชื่อชื่อที่ยกมือวนๆ น, วน่ะนั่นแหละมีชื่อหมดเลยอ่ะที่เราพูดมันก็ชิ่มการเมืองใช่ไหมล่ะถ้าอิสลามห้ามาแล้วเรื่องนี้ถ้าเองไม่เชื่อก็เรื่องเองแต่มุสลิมต้องระวังนะอย่าไปเข้าข้างน ะ, นะอ๋อฟอฟอฟอวะมาลียาดะอบุดุลลาีิฟะกะรนีไวไลตูรจาละฉัน มีเหตุผลน้นใดแก่ฉันล่ะที่ฉันจะไม่เคารพพักดีผู้ได้ทรงบังเกิดฉันและยังอัลลอ์ที่พวกท่านจะถูกนำกลับไปรับบัญชีในวันตรีมาอัลลอฮฺอักบรพี่น้องดุนยากับอาคิรอนเนี่ยอันไหนหนักกว่ากันอาคิรอนหนักกว่าดุนยาเนี่ยมีอยู่ กี่กี่กี่ขั้นตอนอะไรบ้างช่วงเด็กลาใหบุญละวุ่นวัซีนัตุลวัตฟาคุรุนวัตตากามีอยู่ห้าขั้นตอนเราไม่รู้สึกตัวเท่าไหร่หรอกตอนเด็กๆอายุเขาเขาช่วงละแปดปีอีกปดปีแก่ปีตอนเด็ ก, ๆ, ๆ, 8 8 8ดกๆ8ปดปีเล่นแปปีตัวเรียนหนังสือเพลิน แล้วก็พอจบแล้วก็อ ะ, กอะไรนะตาฟ้าคุดเบ่งเตะท่าเน่ยเบ่งกันไปเบ่งกันมาแขนกันไปแขนกันมาใช่ไหมว่าโอ้โหทำงานยามาขามีรถงามมืงามมีนามีเสื้อผ้าแล้วโอ้โหใช่ไหมละ่ะข้อที่สข้อที่ห้าสิอะไรนะแข่งกันด้านสรัพยสะสมเงินทองกับบ้านวัตถุเงิน ท่า น, นชีวิตดุญญามีแค่ห 5, 5้รายการเองแต่นี้ชีวิตอาคิระเนี่ยหลังจากตายผ่านอีก8ปดแปดปดรายการข้อที่หนึ่งผ่านกูโบ ล, ล้อหนักนะอันที่สองฟื้นวันฟื้นคืนชีพหนักไหมหนักครับอันที่สามพาไปทุ่งมหาาัาจรรอันที่สี่ไปคิดบัญชีข้อที่ห้าช่างตาช่าง ข้อที่หกดื่มน้ำบอ่อน้ำเกาซัดข้อที่เจ็ดข้ามสะพานข้อที่แปดนรกหรือแมกซสวรรค์ปดขั้นตอนนะไอแปดขั้นตอนเนี่ยอะไรช่วยได้อิสลามสุนนนาบีช่วยประคองไม่ให้เจอการลงโทษแดขั้นตอนนะพูดไหมผ่านกูโบ แค่กูบออย่างเดียวถ้าไม่มีอิมานตอลอดนะ่ะรอดไหมล่ะมาเลย์กามาถามกี่เรื่องมารับบุกามันนบีอยู่กับมันอิมานนี่สองทีเราเรียนหมดเลยใช่ไหมใช่พอฟื้นขึ้นมาอีกโอ้โหวักบัดวันฟื้นขึ้นมาเนี่ยต่อร้ายที่สุดน่ะแล้วก็พาไปทุ่งมาชันน่ะไปยังไงอ่ะทุ่งมาชันมันมืดน่ะเดินไปก็ลาบากอยู่แล้วตีมันมีมาเลายก์กานํา เนี่ยรอเล่าเองเนะ่ย้ามีโมเลกานําให้ที่ทุกมาชาัดเจออะไรล่ะหนึ่งเจอคิดบัญชีเจอตะช่างแล้วก็เชออะไรนะเชือบ่อน้ำเกาซัตอ่าวซีเรียสมาบ่อน้าเกาซัาาเาตเนี่ยคนที่นบีจําได้ใช่ไหมอาบรอยอาบน้ำละหมาดมันโผล่อยู่นะที่มือที่เท้านบีว่าพวกชันม า, มานมันี่มานี่มันี่ พอเดินเข้ามามาเละกากันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไที่ทําบิณฑ์าไว้เยอะอ้าวหน้าแตงไหมล่ะทําบิณฑ์อาไว้เยอะนบีไม่ได้ทำเองทําพอเราพูดเรื่องนี้ก็หาว่าเป็นคณ ะ, ะนู้นคณะนี้เห็นไหมเรากลัวว่าอยากจะมากินน้ํานบีตักน้าํน า, าจกมาบ่อน้ําเก่าซัดแจกมามีอยู่สองบอ่อนะในสวรรค์มีเอกแล้วข้างนอกอีกเนี่ยข้างนอกนี่นบีตักน้ําแจกให้ล่ะ เข้าไม่ถึงบ่อน้าเขาซัดเพราะทาบินตะอเอาไว้เยอะมาเลยกากตากตัวอย่าไปอย่ากลับพี่น้องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันหนักหมดเลยและอะไรที่จะคุมของเราได้อิสลามกับอีมานตักวายะาตินยาซามสุนนะนบีตัวนั้นที่ปลอดให้เราปลอดภัยในโลกอาคีโถึงแค่เป็นห่วงัน่นหลายคนที่ไม่เอาอิสลามมันก็อร่อยนะอัลลอ์เอาต่อมาครับ อายะทาี <S <S <ess iz ia> ่าัตคูมินดูนอฮัตอยูริดนราะห์มนูบิดอยูริดนราะห์มนูบิดลาตุนีอันนีชฟาตุฮุมชัยอาและยุมกิซุนอัลลอฮฺอัลลัล أَتَخِذُ ّ مِن دُونِهِ آ ل ِ ه َ ة ً إ ِ ي ُ ر ِ د ْ ن ِ الرَّحْمَانُ إ ِ ي ُ ر ِ د ْ ن ِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ ا ل َّ ت ُ غ ْ ن ِ عَنِي ّ ش َ ف َ ا ع َ ت ُ ه ُ م ْ ش َ ي ْ ئ ً ا ش َ ف َ ا ع َ ت ُ ه ُ م ْ ش َ ي ْ ئ ً ا وَلَا ي ُ ن ْ ت ِ د ُ คนเนี่ยที่มาจากชนบทวิ่งมานี่นะที่ระหว่ามีอาชีพเป็นช่างไม้บางคนว่ามีอาชีพเป็นช่างทํารองเท้าอีกคนก็ว่ามีอาชีพทําความสะอาดอนนานามีสามอาชีพนะอันละอย่าไปเจาะจงว่าอาชีพไหนะเขามีงานทําแล้วก็มีรายได้แล้วเขาสัญญาว่ารายได้ของเขาครึ่งหนึ่งทํางานาศาสนาของอัลลอฮ์เลยดีหร้อไม่ดีเห็นยังไหม การบริจาคเป็นของดีเนี่ยพ่อพาะมีอีมานใช่ไหมล่ะเราอีมานไม่ไ ม, ไ ม, ไมีจะให้ะอะคุยกัเรื่องเรื่องเรื่องบริจาคที่พี่น้องบริจาค ก, กันมาเนี่ยผมนั่งในทีเอ็มบริจาคมาเยอะบริจาคเนี่ยไม่ใช่พาะมีเงินนะไม่ใช่พราอมีอะไรพาะมีอีมานต่างหากล่ะคนที่บริจาคเนี่ยกล้าบริจาคแสนหนึ่ง 2,000 มืนสอง0 ม, งมพันสองพันเ่ยพอมีอีมานต่อรเขาศรัทธาเชื่อว่าเงินนี่ช่วยเขาได้อแค่แค่มาใจสากาดเจอเจอไมเจอนักุบูก่อนแล้วเจองูเจอตะขาบาเหนไหไอ้ที่บริจาคในแรงศรัทธานะพลังอีมานนะไม่ใช่พลังรวยนะเอาคนที่รวยในอดีตมีใครบ้างอะ่ะเอากอรูนผ่านไา <laughs> ไม่พานแต่สิ่งของที่นบี ม, มาสอนเป็น้องภูมิใจเถอะให้มีอิมานเยอะๆนี่น่ะไม่ทะเลาะกับภรรยาด้วยไม่ทะเลาะกับพ่อด้วยไม่ทะเลาะกับญาติพี่น้องทั้งหมดให้อภัยหมดใช่หรือไม่ใช่ะพอไม่อิมานแล้วเนี่ยไปน้องใครดา่าอ่ะด่าด่าทำไมทําได้และ่ะเพรเรื่องอิมานทั้งหักละ่ะที่อิมานจะเข้าตอนไหนมันก็ต้องนี่ละฟังบ่อยๆอย่ารอ ทำโดยลิลเล่ทำไปเนี่ยพวกเราเนี่ยนะที่ให้อภัยภรรยาเนี่ยย่มกับภรรยาบางทีทำอาหารไม่ถูกใจมีไหมมีบางทีอันนูนกันไม่ถูกใจทาไมเราให้อภัยได้เพราะเราฟังศาสนาบ่อยๆไง إ ي م านมันก็ามากร น, นี่ยอมที่ไหนละ่ะ ม, มึงมึงทำโดยลิลเอาต่อมาครับ อาตตาคือแปลว่าฉันควรจะยึดพระเจ้ามินดูนิฮีอื่นจากพระเจ้าอื่นอาเลฮัตันเช่นรูปจะเจวตเป็นพระเจ้ากันนั่นหรืฉันควรจะยึดถือพระเจ้าอื่นอื่นอื่นจากอัลลอฮ์กั น, นันรืนี่พูดเตือนใครตะใครอ่ะ เราเนี่ยจะเลือกอลัลลอ์เป็นพระเจ้าหรือว่าเลือกจวเจวตเอาไปกราบบูชาอะไรก็แน่พูดให้มันชัดน บ, บีชอยบลูกเยอะไหมนี่อธิบายนะน บ, บีชออิฟมีลูกเท่าไหร่ยูซุปมีลูกน บ, บีชองชอยบน่ะอลัลลอ์มีลูกประมาณยี่สิบกว่าคนนะแล้วก็หลานเี่เท่าไหร่อ่ะตอนที่ท่านป่วยน่ย ท่านเรียกลูกมาประชุมหมดเลยอ่ะลูกหลานน่ะเป็นร้อยวันนั่นนั่งอยู่บนบ้านนะัะดีช่วยเขาเขาก็เรียกลูกมาประชุมไอ้หนึ่งต้องมีอาหารเลี้ยงไอ้รายละเอียดคุณ่ามันจะเล่าตอนนั้นเรองเองก็ได้เรียกลูกหลานมาประชุมแจกตังค์มันบ้างก็ได้ใช่ไหมละ่ะให้อาหารมันนั่นหรพูดจากับมันดีๆนี่มันหลักการรายละเอียดอย่างนีนะ้อิสลามสอนอยู่แล้วนะ ถามว่าวมาตาบูดูนามินบ้าดีพวกคุณจะนับถือใครหลังจากพ่อตายกอลูนาบูดูอิละฮะกาวอิละฮะอาบะอาากาอิบรอฮีบะอิสมาอิล า, าวอิสฮะพวกลูกหลานเนี่ยฉันจะยึดถือเหมือนนบีบรอฮีเหมือนนบีอิสมาอิเหมือนนบีอิสฮะนั่นพี่พี่หมดเลยนะ่ะ นบีนอิบราฮิมนบีอิสมาอินพัฒนามักกะงเจริญปัจจุบับนนี้แล้วก็นบีอิสฮารและพวกยูทั้งหมดนั่นนะ่ะตระกูลเขาทั้งหมดเลยนะ่ะฉันจะถือตามนบีสามคนนี้ทําไมเป็นห่วงเรื่องาศาสนาเขาไม่ได้ห่วงเรื่องเงินเขาไม่ได้ห่วงเรื่องมรดกแต่มรดกมันก็มีไว้มันก็ดีดีกว่าไม่มีใช่ไหมล่ะแต่อย่าไปหลงเยอะ พยายามให้ลูกหลานเนี่ยมีน ม, มีาศาสนาเข้าใจอีมานให้ดีเพราะมีอีมานแล้วน่ะมันก็ไม่ทำอะไรเละเทะหรอกเข้าใจนะอต่อมาครับอาตตาคิรุมินดูนิฮะลีฮะฉันควรจะฝึกฉันควรที่จะยึดถือพระเจ้าอื่นๆอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือ อิหริเดนิรอมานถ้าหากพระผู้ทรงกรุณามาติุสิฟัตอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์เนี่ยนะบิดูรินประสงค์ที่จะให้เกิดความลําบากนี่เขาเล่าเองนะความลําบากนี่ไม่ใช่มาจากคนอื่นมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะถ้าอัลลอฮ์จะให้เองเจ็บไข้ใดป่วยหรือไม่สบายหรือว่ามีเงินน้อยเนี่ยมาจากใครมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่ โชคร้ายไม่ใช่ไม่ช่วยไม่ใช่โชคนวนโชคนี้ไม่เกี่ยวจะเวทช่วยไม่ได้เลยนี่เตือนแล้วเตือนอีกลาตูวคนงานนิสาอาตุหุมการขอไถ่แทนโทษของพวกเขาจะไม่ช่วยคุณให้สำเร็จได้เลยจะไม่อำนวยผลใดๆแก่คุณได้เลยตัลงว่านี่เตือนนะนะ ความรวยความจนใครให้อลัลลอฮ์ให้เจ็บไข้ได้ป่วยใครให้อลัลลอฮ์ให้ฉะนั้นต้องนึกถึงอลัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ใช่เจเวติตเตือนแล้วเตือนอีกพูดบ่อยๆเข้าหูบ่อยๆอลัลลอฮ์พี่น้องเอาต่อมาครับฉะนั้นฉันยึดใครนะยึด อ, อัลลอฮ์องค์เดียวอย่ายึดเจเวติตอินนีอิซาลฟีบอลลิมูบีนแท้จริงเมื่อนั้นถ้าฉันยึด ยึดเจว็ดนี่นะเป็นที่บูชาเป็นที่กราบด้วยฉันจะอยู่ในการหลงผิดอันชัดแจ้งเลยนี่พูดชาติเป็นการอธิบายว่าถ้าเองตายในสภาพที่ไม่รู้จักอัลลอะ์เองลำบาบตั้งแต่โลกใบที่สามกับใบที่สอัลลมบัสรั ก, กอัอลลอฮ์ละบาบหมดเลยนี่เตือนเกิอพวกเราด้วยวันนี้นะอัลลอะ์ให้ยิบรีนมาให้กับนบีเล่าให้นบีฟัง เห็นอย่างก่อนหน้านบีแค่400ปีนะมีคนเขาเผยแพอิสลามเนี่นะเขาพูดดีอย่างนี้เป็นต้นอายะห์ที่25อินนีอามันตุบิรอบบิคุมฟัสมาอนคนนี้ยืนประกาศตัวหน้าประชาชนเลยบอกว่าอ <S ess iz os> <S ess iz os> ินนีอามันตุฉันเนี่ยนะศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของสูเจ้าแล้ว ไอ้พูดคํานี้ถ้าหากไซนาบูบรกากืกกพูดเหมือนกันสมัยนบีมุฮัมมัดยืนประกาศที่ฮารอมชาวบา้งงานเล่นงานน่ะล้มไปเลยเน่ะเกือบตายน่ะอย่าอย่ายาเพราะจะภาษานี้ไม่ได้เนี่ยในสภ า, าก็ห้ามพูดนะอะห้ามพูดเน่ยพูดเป็นสภาถูกไล่นะ่ะท่านตน้องเลือกสถานที่พูดเหมือนกันอินนี้อันตร์ดวย ฉันแท้จริงฉันศรัทธาในพระผู้อาภิบาลของท่านฟัสมาอนี่ดังนั้นมูชนของฉันเอ๋ยโปรดฟังฉันฟังฉันแต่เราก็ไม่กล้าพูดฟังฉันนะแต่อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังมุฮัมมัดพูดได้เลยเพราะท่านเป็นนบีซาบ้บานนบีพูดได้ไอเรามีหลานห่างมาตั้งพัน0รอยปีอยาไปพูดเยอะให้อีมาตนต่อเหมือนนบีมุฮัมมัดง่ายอย่างนี้สบายใจนะ ท่านลจงอิมานเหมือนกดาท่านอบูบกท่านอุมัท่านอุสมานท่านอาลีอ่าเหมือนสุฮาบะอย่าพูดว่าจงอีมานเหมือนฉันภาษานี้อย่าพูดเลยเราอิมานแค่ไหนก็ยังไม่รู้เอาต่อมาอายะสุดท้ายตีลเดคลิลจันนะกอลายไลตกมียะลมุน قيل دخل ا ل ج ن ยล ا ل ตะก ا ม ت ق و م ي ล ل ม و นทำไมเอ่ยอายะว่าสวรรค์ตีละได้มีเสียงพูดออกมาว่าอุดคุริญนนะจงเข้าไปในสวนสวรรค์ลเลยมีเสียงพูดเสียงมาลายกา Allah สั่งให้คือเป็นงี้คนที่พูดภาษานี้นะอินนีอามันตุบิรอบบิกุมฟาสมาอเพราะยืนพูดนะเพื่อนมันฆ่าเลยฉันศรัทธาต่อ Allah เนี่ยท่านอบูบุับาก็ถูกเล่นงานมาแล้วใช่ไหมแต่มีคนห้ามมาไว้แต่คนนี้พูดแล้วไม่มีคนห้ามอ่ะฆ่าเลยเข้ามาจับแล้วก็จูโจมฆ่าตาย พอตายแล้วนี่พวกเราสบายใจนะคนที่ทำงานศาสนาทุกคนตายแล้วไปไหนตีลาเดคลิลยันนะได้มีเสียงออกมาได้มีพระดํารัสแก่เขาว่ามีเสียงเรียกว่ามีเสียงพูดว่าจงเข้าไปอยู่ในสวนสรวรรค์เถออ้าวสบายใจยัง อาญานี่เตือนบอกกับนบีให้เล่าให้ซอบ้าฟังคนทำงานาศาสนาทุกคนตายแล้วไปไหนจะตายแบบไหนก็อีเรื่องหนึง่งอันนี้ตายแบบถูกฆ่าตายใช่ไหมแต่หลายคนอยากตายในห้อง i อซตายทำไม <c oughs> ถ้าแล้วมาคนมุมิมเขากลัวตายกันไหมล่ะเขาไม่กลัวตายอ่ะพอตายแล้วไปไหนครับ ก็กุอ๊อารายาติยิบหกนี่ยตีลาดุคุลยันนะไปอยู่สวรรค์ น, นู่นมีใครเล่ามีกุ๊อัลอฮ์เล่าเองนะอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังกลัวตายทำไมทำงานศาสนาก่อนตายตายแล้วไปไหนไปไหนอก็ยันนะไปอยู่ในสวรรค์แต่ที่พอเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์เล่าอีกนะก็ละคนที่ถูกฆ่าตาย และอัลลอฮ์พาไปอยู่ในสวนสวรรค์แล้วเนี่ยนะยาไลตะเควมียาละมุนโอ้ถ้าหากหมู่ชนของฉันรู้ว่าฉันนี่น่ะอยู่ที่ไหนนี่น่ะ